นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นผู้ไกลจากกิเลสแต่สรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ขอนอบน้อมพระธรรมด้วยขอนอบน้อมภารียาทรงเจ้าทั้งหลายด้วยด้วยความเคารพเอื้อเฟื้อแล้วขอเจริญพรญาติโยมทุกทุกท่านนะที่ได้มีโอกาสมาประพฤติปฏิบัติกันในวันนี้ก็จะมากล่าวในเรื่องของการจเจริญกุศลกันต่อนี่นะ ที่เรามาฝึกฝนกันในครั้งนี้เนี่ยเขาเรียกว่ามาเจริญภาวนากันเออศั์คำว่าภาวนาภาวนาศัพเนี่ยโดยส่วนใหญ่เนี่ยเรานึกว่าแต่ที่จริงภาวนาเนี่ยถ้าพูดในด้านของภาษาไทยเนี่ยมันแคบแคบเนีหลายคนพอมาพูดถึงเรื่องของภาวนาเนี่ยพอไปเอาภาษาไทยมาจับมันเหมือนกับการไปท่องบนใช่ เช่นไปไภาวนาคาถาท่องบนคาถาเป็นนึกเป็นอย่างนั้นไปจริงๆภาวนาศัพท์เนี่ยมันตรงกับคำว่ า, าพัฒน า, าก็แปลว่าการเจริญหรือการทําให้เจริญขึ้นทีนี้ภาวนาเนี่ยมีตั้งหลายด้านถ้าเราจะอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีกายที่พัฒนาแล้วมีศีลที่พัฒนาแล้ว มีจิตที่พัฒนาแล้วมีปัญญาที่พัฒนาแล้วนี่ถ้าเปลี่ยนมาใช้กับพวกเราแปลว่าพวกเราเนี่ยกำลังจะมาเจริญกายเขาเรียกกายภาวนาก็คือมาทำมาเจริญทางกายทำให้กายมันเจริญขึ้นมาทำศีลภาวนาก็คือการมาทาศีลให้มันเจริญขึ้น มาทําจิตภาวนาก็คือมาเจริญสมาธิมาฝึกสมาธิให้เจริญให้ไพบูรณ์ให้งอกงามยิ่งขึ้นแล้วก็มาทําปัญญาภาวนาทําความรู้ทําความเข้าใจเนี่ยให้มันเจริญให้มันไพบูรณ์ให้มันงอกงามขึ้นเอ๊ะถ้าถามว่ากายภาวนานี่เราจะวัดกันยังไงเอาทํากายให้เจริญขึ้นเนี่ยทําให้อ้วนขึ้นใช่ไหมเอาอาหารดีๆไปเอาอาหารใจเข้าไปมันกายพองขึ้นพองขึ้นอย่างนี้เรียกวายเจริญขึ้นหรือเปล่า คำว่าไกยภาวนาจริงๆตรงนั้นหมายความว่าการรู้จักที่จะดูแลร่างกายด้วยเนะี่ในส่วนของพระในส่วนของญาติโยมก็เหมือนกันก็คือรู้จักในการที่จะดูแลสุขภาพคุณภาพชีวิตทางด้านกายเนี่ยอันนั้นในด้านรูปแบบไปด้านรูปต่า ง, งด้านร่างกายที่ชัดเจนแต่ถ้าขับเน้นไปในด้านของคาสอนท่านไปขับเน้นคือ ถากายภาวนาเนี่ยท่านขับเน้นห้าตัวหนึ่งทางด้านตาทางด้านหูทางด้านจมูกทางด้านลิ้นทางด้านกายเออถ้าบอกทางตาหูจมูกลิ้นกายใจายตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยนะก็คือทางด้านการที่จะใช้ตาในการที่จะดูนะดูแล้วเนี่ยไม่ทําให้บาปเกิดขึ้นทางทวารตาเนี่ย ฝึกฝนพัฒนาทางด้านตาไม่ให้บาปเกิดขึ้นทางดวานตาเออท่านจัดเป็นกายนะท่านในพุทธพจน์ในคําสอนเนี่ยทั้งด้านตาด้านหูก็เป็นกายด้านจมูกก็เรียกว่ากายด้านลิ้นก็ด้านกายแล้วก็ด้านกายด้านร่างกายทั้งหมดด้านผลพัฒนาที่มากระทบก็เรียกว่ากายเหมือนกันเออท่านเรียกว่ากายนะเอาทําให้เจริญคือยังไงก็มีสองส่วนในส่วนของ อินทรีสังวรกันในส่วนของอาชีวปริสุทธิ์ก็คือการเลี้ยงชีพที่ถูกที่ชอบโ้ยท่านจัดเป็นเื่งด้านกายไปนี่คือการอบรมกายนะแต่จริงๆหนึ่งอยู่ในหมวดของศีลเนี่ยนะแต่ท่านจัดว่าส่วนนี้แหละเป็นการพัฒนากายหรือการทำกายให้จเจริญขึ้นยอมว่ายอมเป็นคนใช้ตาดูเป็นไหม เราเราใช้ตาดูสิ่งต่างๆเนี่ยเราดูเพื่อจะเสพติดหรือเราดูเพื่อจะดูเพื่อจะให้เกิดความการเสพติดหรือดูเพื่อให้เกิดปัญญาโดยส่วนใหญ่โดยส่วนใหญ่ที่เราใช้ตามองเนี่ยมองเพื่อต้องการให้เกิดการชอบการไม่ชอบหรือการมองหรือการดูแล้วเป็นปจัจจัยเกิดปัญญามากกัน คนส่วนใหญ่เราใช้ตาดูเพื่อจะเสพติดนะใช้หูฟังก็เหมือนกันเพื่อจะเสพติดใช้จมูกใช้ลิ้นใช้กายก็เหมือนกันการกินอาหารก็เพื่อเสพติดรสอร่อยๆเป็นต้นเหล่าเ น, นี้ทางด้านกายสัมผัสก็เหมือนกันนี่ทางในพระศาสนาท่านบอกว่าเออให้อบรมกายทํากายภาวนาให้เจริญขึ้นก็คือการฝึกอบรมเพื่อจะทําให้กิเลสไม่เกิดขึ้นทางทวารกายนั่นะ <g ül üyor> ก็เลยจัดเป็นกายภาวนา แต่ภาวนาจริงๆจะไปใช้ได้หลายอย่างนะอย่างยกตัว อ, อย่างเช่นการเจริญศีลทำศีลให้เจริญขึ้นเขาเรียกว่าศีลภาวนาทำกลุ่มสมาธิให้เจริญขึ้นนะก็เาเรียกว่าสมาธิภาวนาหรืออย่างการเจริญอาณาปณะสติเนี่ยเาเรียกว่าอาณาปณะภ า, นาวนาเนี่ยคือการเจริญสติการอบรมสติก็เรียกภาวนาหมดเลย จะมีสมถะภาวนาก็เรียกวิปัสสนาภาวนาก็เรียกนี่นะฉะนั้นอย่างพวกเราเนี่ยที่เรามาเนี่ยมาเจริญภาวนามาอบรมภาวนาเนี่ยเขาเรียกว่าเจริญทุกด้านหนึ่งทางด้านศีลก็ต้องเจริญใช่หไหมด้านสมาธิก็ต้องเจริญและด้านปัญญาก็ต้องอบรมต้องเจริญต้องทําให้มีต้องทําให้เกิดขึ้นอย่างนี้เป็นต้น ทีนี้เมื่อกี้ามาจะว่าจะบรรยายทรมาแต่เอามาเห็นปัญหาเยอะเลยแสดงว่าจะให้ตอบปัญหาใช่ไหมเนี่ยใช่ไห ม, มีเยอะเลยนี่ที้ปัญหาถามมาเดี๋ยมา จริงเอามาเป็นคนอานะาเวลาเจอตัวหนังสือเอามาต้องดูใกล้ๆ น, นิดนึงนนอ่านไม่่คยออกโดยปกติจะถือศีลแปดสั ป, ปดาห์ละหนึ่งวันยอมเกิดถ้าตอบออไปแล้วเนี่ยยอมไม่ไม่ชัดเจนยอมถามกลับเลยนะมีไม้ถามกลับเลยในจะถือศีล8ดสั ป, ปดาห์ละหนึ่งวันและมีการสมาทานศีนั้นก่อนทุกครั้งในระหว่างวัน บางโอกาส ก, ก็ต้องดูทีวีเป็นเพื่อนลูกจะต้องดูทีวีเป็นเพื่อนลูกแต่ขนาดดูรู้สึกตัวทุกครั้งว่าไม่เป็นไปเพื่อความเพลิดเพลินไอ้รองไอ้ใครเนี่ยไม่ร้องขอเปลี่ยนช่องและพร้อมที่จะ พร้อมที่จะลุกออกไปหากหากมีกิจจำเป็นการกระทำเช่นนี้ถือว่าผิดศีลข้อเจ็ดหรือทำให้ศีลด่างพ้อยหรือไม่บางครั้งก็โกรธลูกเมื่อลูกนั้นทำสิ่งที่ไม่น่าพอใจกิจก็คิดโกรธมันเป็นอกุศลเช่นนี้จะมีผลให้ศีลเนี่ย ที่สมาทานไว้เนี่ยมันบกพองหรือไม่นี่นหรือศีลขาดลงหรือไม่การสมาทานศีลถือเป็นการให้สัจจะเช่นนี้แล้วเนี่ยก็เท่ากับเราขาดสัจจะด้วยหรือไม่เป็นบาปหรือไม่ฉะนั้นแล้วในวันนั้นควรถือศีลต่อไปจนครบวันหรือไม่หรือมีวิธีแก้ไขอย่างไรเพราะรู้สึกว่าในวันนั้นน่ะได้ทั้งบุญและบาปพร้พอมๆกันเลย หรือควรตั้งใจถือศีลโดยไม่ต้องสมาทานศีลแปดหากหากศีลด่างพ้อยไปไม่สมบูรณ์เนี่ยในวันนั้นก็ยังไม่เสียสัจจะท่านอาจารย์มีความคิดเห็นอย่างไรโปรดให้คําแนะนําด้วยายาวเลยเ อ, อ่อการสมาทานศีลวันก่อนได้พูดแล้วใช่ไหมว่าการสมาทานศีลก็แปลว่าการรับเอาการถือเอา การเอาตัวกุศลศีลมาถือมาปฏิบัติยอมรู้รู้แล้วใช่ไหมว่าการสมาทานศีลแล้วเนี่ยก็คือการตั้งใจในการที่จะฝึกคําว่าสิกขาตัวนั้นแปลว่าข้อฝึกหรือบทที่จะเอามาฝึกแบบที่จะเอามาฝึกฝนมาพัฒนาพัฒนาอะไรพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองเนี่ยให้มีพฤติกรรมที่งดงามให้มีพฤติกรรมที่งดงาม พฤติกรรมที่แสดงออกมาทางกายกับทางวาจาเนี่ยก็เรียกบุคลิกภาพหรือพฤติกรรมที่แสดงออกมาเนี่ยให้มีความงดงามเอี่ยมอ่องผ่องแผ้วทีนี้ตัวกุศลศีลจริงๆท่านขับเน้นอะไรขับเน้นตัวเจตนาศีลตัวเจตสิกศีลตัวสังวรศีลตัวอวิฏกมามศีลเป็นต้นอันนี้ผู้ใช้ศัพท์เลยนะไอเจตนาศีลก็คือเจตจานงความจงใจความตั้งใจที่จะไม่ร่วงละเมิดจะไม่ร่วงละเมิดสิกขาบท ที่เราได้สมาทานที่เราได้ฝึกฝนที่ได้รับออกมาจะไม่ล่วงละเมิดจากแม่ขาดเช่นทางกายก็จะไม่ให้ล่วงละเมิดทางวาจาก็จะไม่ให้ล่วงละเมิดทีนี้พอพูดถึงในเรื่องของเจตนาศีลเนี่ยตัวเจตนาตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นกระตุ้นที่จะทําให้กลุ่มเจตสิกกรรมทั้งหลายเหล่านี้เรียกเจตสิกศีลก็คือองค์ประกอบที่เกิดร่วมในใจที่เป็นไปกับกุศล เช่นความไม่โลภเกิดขึ้นความไม่โลภเกิดขึ้นในขณะที่เป็นศีลตอนนั้นน่ะความไม่โลภความไม่ยินดีความไม่เพลิดเพลินเมื่อสักครู่พูดถึงในเรื่องของการดูการละเล่นเนี่ยถามว่าความไม่โลภเกิดขึ้นความไม่ยินดีความไม่เพลิดเพลินเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเป็นอะโทสะคือสภาพที่จิตไม่ขุนเคืองไม่หงุดหงิดไม่กระทบกระทั่ง ไม่ไม่โกรธเกิดขึ้นนี่ก็คุณภาพของจิตที่เป็นศีลเป็นแบบนี้แล้วก็ด้านปัญญาที่ความฉลาดความรอบรู้รู้จักวิจัยพิจารณาแยกแยะในการดูคือดูเพื่อศึกษาดูเพื่อวิจัยดูเพื่อแยกแยะเห็นไหมอย่างเงี้ศยศีลมันไม่ร่วงละเมิดในด้านของในด้านตรงนี้ก่อนนะในด้านของคุณภาพทางด้านใจก่อนนะส่วนในด้านข้อห้ามนั้นได้ไว่าอีกทีทีนี้อีกอย่างหนึ่ง มันจะมีกลุ่มอีกตัวหนึ่งก็คือกลุ่มวิรัติวิรัตินั้นก็คือว่าเป็นเป็นขอ้อหรือเป็นตัวเข้ามางดเว้นวิรัติมีอยู่สามความหมายสามตัวเนี่ยนะเขาเรียกว่าสัมมาวาจาวิรติอันนี้ก็คือตัวตัววิรัติที่งดเว้นทางทางคำพูดหรือทางวาจาคือปกติเนี่ย มันจะมีมนุษย์เราเวลาจะล่วงละเมิดทางคําพูดเนี่ยมันจะมีเจตนาชั่วร้ายเขาเรียกว่าอากูเอระเจตนาอากุศลคือเจตจํานงหรือเจตนาที่จะพูดเท็จเจตจานงที่จะพูดให้คนเขาแตกกันเนี่ยเจตจํานงที่จะพูดคําหยาบที่เป็นไบรกระท่ะเจตจานงที่จะพูดเพ้อเจ้อไรสาระเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยไอ้เจตนาที่มันชั่วร้ายทั้งหลายเนี่ยมันจะตั้งแท่นขึ้น เวลามนุษย์จะพะล่วงวาจาพูดไม่จริงพูดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์พูดไม่ถูกการพูดไม่เป็นไปกเมตาเนี่ยมันจะเกิดอยู่นี่เขาเรียกเจตนาชั่วร้ายมันเกิดมันเกิดที่ใจมันเป็นเหตุผลดันให้มีการที่จะพูดออกมาแต่ถ้าวิรติเกิดขึ้นไอตัวสัมมาวาจาวิรติเกิดขึ้นมานั่งแท่นอยู่ในใจเนี่ยมันจะคอยปรามคอยห้ามว่าถ้าฉันนั่งอยู่ณที่นี้ ถ้าฉันนั่งอยู่ในใจของของคุณนะัขนาดนี้คุณจะมาเกิดไม่ได้คือมันจะคอยตัดรอนทันทีเวลาจะเปล่งวาจาที่ผิดพลาดขึ้นมามันจะตัดรอนทันทีเดี๋ยวนั้นเลยไอ้วิรัตเนี่ยจะคอยงดเว้นฉับพันทันทีเลยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่างดเว้นได้เฉพาะหน้าคือสถานการณ์นั้นจะเป็นเหตุทําให้พูดเท็จจะเป็นเหตุให้พูดส่อเสียดทําหยาบและเพ้อเจอ้อพอทํำท่าจะล่วงละเมิดออกมาเนี่ยถ้าตัววิรัติเกิดขึ้นในขณะนั้นจะงดเว้นทันที เงดเว้นเพราะอะไรเพราะหนึ่งระลึกถึงที่ตนเองได้สมาทานถือไว้จากพระเถระที่มีศีลมีกัลยาณธรรมเป็นต้นหรือสมาทานต่อหน้าพระพุทธเจ้าต่อหน้าสั ญ, ญลักษณ์ต่อหน้าพระพุทธรูปนี้เป็นต้นก็ระลึกถึงเกิดความละอายชั่วกลัวบาปขึ้นมาก็เกิดการตัดรอนได้ทันทีลักษณะนี้คือวิรัติมาทําหน้าที่ก็ไม่ร่วงละเมิดมาทางวาจา เนี่ยภาวะที่ความไม่ร่วงละเมิดความไม่ผิดศีลมันเกิดขึ้นเพราะไม่ร่วงละเมิดนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าเกิดความโกรธเมื่อสักครู่ที่พูดมาใช่ไหมบางทีโกรธลูกบ้างโกรธอะไรบ้างเนี่ยมันร่วงละเมิดออกมาหรือ ย, อยังถ้าคําว่าขาดหรือไม่ขาดเนี่ยเอาคําว่าร่วงละเมิดเช่นเวลาโกรธปุ๊บแล้วพูดว่าเนี่ยพูดไม่รู้จักฟังเดี๋ยวเธอแต่มันโกรธแล้วใช่ไหม แต่พูดด้วยคำหยาบและมีการถลึงตามองไอ้ล่วงละเมิดออกมาอย่างนี้แปลว่าเรียบร้อยแล้วหนึ่งโกรธสองก็พูดเปล่งวาจาที่โกรธออกมาแล้วก็ทําให้ผู้พูดเนี่ยผู้ถูกผู้ ผ, ผ, ผ, ผู้ที่เราเราพูดด้วยเนะี่ยเขารู้สึกทุกข์และกลัวเป็นต้นด้วยในะตอนนั้นนะ่ยลักษณะนี้เขาเรียกว่ามันพันุษวาสดออกมาถึงแม้คําพูดเนี่ยดูเหมือนไม่พัรุษวาสดนะแต่ในใจนะมันโกรธ ใจมันโกรธเหมือนบอกว่านี่จะเป็นนอนหรือไม่ไปเนี่ยไปหรือไม่ไปไปซะดีๆนะไปซะดีๆนะเนี่ยแต่มันโกรธนี่นล่วงละเมิดหรื อ, อยังล่วงละเมิดแล้วเพราะจริงๆไม่พูดด้วยเมตตาทำไมไม่พูดด้วยเมตตาหรือพูดด้วยกรุณาแล้วหรือพูดด้วยเมตตาว่าลูกใช่ไหมหรือพูดบอกว่าเออเนี่ยแต่ให้เมตตาจิตเกิดก่อนว่าเราเห็นประโยชน์ที่ลูก ควรจะนอนควรจะพักผ่อนควรจะได้คุณภาพชีวิตที่ดีก็พูดแต่ทำจิตไม่คุ้นค้องไม่คุ้นมัวก่อนแล้วก็เปล่งวาจามาเนี่ยลักษณะงนี้เป็นต้นทีนี้เอสมาทานกับการฝึกที่ทำให้มันเกิดมันทีคนละอย่างกันนะอย่างที่บอกว่าบางทีเนี่ยเราเราสมาทานไว้จริงแต่เราก็ปล่อยเพเลือไปปล่อยเพเลือไปเราไม่ได้ฝึกฝนพัฒนาเลยใช่ไหมตัวกุศลศีล ทีนี้ตัวสัมมาคัมมันตะนี่มันทางกายทางกายนี่ค่อนข้างที่จะน่าจะน่าจะไม่ค่อยเหมือนทางวาจาทางวาจาเร็วมากใช่ไหมแต่ทางกายเนี่ยไปฆ่าไปลักไปพื้นผิดในกรรมเนี่ยโดยมากก็คืองดเว้นได้เห็นไหมว่าตัวกุศลศีลจริงๆเขานั่งแท่นที่จิตที่ใจแต่มันจะมาคอยควบคุมกายกับวาจา นี่เขาเรียกกลุ่มว่าถ้าเวรเจตน า, ากุศลที่เป็นเหตุแห่งการฆ่าสัตว์เวรเจตนาอากุศลที่เป็นเหตุแห่งการลักทรัพย์เวรเจตนากุศลที่เป็นเหตุแห่งการประพฤติผิดในการมเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นที่เป็นเหตุเนี่ยก็สามารถตัดรอนได้ทุกครั้งตัดรอนได้ทุกครั้งไม่ร่วงละเมิดเนี่ยลักษณะนี้เขาเรียกว่าตัววิรัตมาทํากิจอยู่ตลอดเวลาเลยมาทํากิจในการคอยตัดคอยห้ามอยู่ตลอดเวลาเมื่อตัดแล้วห้ามไปเสร็จแล้ว ตอนนั้นในจิตใจเป็นไงรู้สึกชื่นใจรู้สึกชื่นใจรู้สึกผ่องใสว่าเราไม่ล่วงละเมิดศีลของเราบริสุทธิ์น้อเนี่ยเราสามารถตัดรอนได้ห้ามได้ห้ามใจที่ชั่วไร้ายไม่เป็นเหตุแห่งการไปล่วงละเมิดนั้นได้ลักษณะนี้เขาเรียกว่าตัววิรัตเกิดขึ้นได้จริงส่วนสมาชีวะก็คือการการปเป็นแสวงหาอาหารและมีการไปกล่าวเทศ ในการได้มาเป็นต้นไปกล่าวส่อเสียดแล้วได้มาเป็นกล่าวคำหยาบแล้วได้มาเป็นต้นหรือไปการแสวงหาซื้อเครื่องนุ่งหม่มไปแสวงหาที่อยู่อาศัยแสวงหายาเป็นต้นเอาอย่างยกตัวอย่างเช่นเราไปตลาดนะไปตลาดก็เดินเดินเดินเดินเดินไปใช่ไหมนี่ไปแสวงหาอาหารแล้วใช่มเ้าพอไปไปเบสเสร็จแล้วก็ไปที่ร้านค้านี่เราอยากจะซื้ออาหารแล้ว ไอ้ น, นี่อาหารนี่มันแพงอยู่แต่ความที่เราอยากจะได้ราคาถูกเราก็เลยบอกว่านี่แม่ค้าขายเท่าไหร่ก็เราบอกว่าเขาบอกว่าเ อ, อกิโลละห้าสิบบาทสมมติแล้วก็บอก อ, อ้าร้านนั้นก็ขายกิโลละสี่สิบห้าเอ ง, งนี่นีแม่ค้าก็เลยลักษณะอย่างนี้เขาเรียกเป็นการแสวงหาอาหารที่เป็นสัมมาชีวะหรือมิจฉาอาชีวะเคยทำไหม เคยไม่เคยลักษณะอย่างนี้เ้าเรียกเลี้ยงชีพผิดก็คือทั้งๆ ท, ที่เราไม่ได้ไปมีสามล้านครับด้วยความที่เราอยากได้ราคาถูกเราก็เลยเกล่าวว่าจากโกหกออกไปแล้วก็ได้มาบ้างไม่ได้มาบ้างกันแล้วแต่เถออย่างนี้เป็นการเลี้ยงชีพที่ผิดเห็นไหมเป็นมิจฉาอาชีวะนี่ในรายละเอียดอย่างนี้โดยมากเราไม่ค่อยได้ฝึกกันหรอกนึกว่ามันเป็นปกติใช่ไหม หรือบางทีเนี่ยไปพูดด้วยความโกรธ ด, ด้วยพูดคำหยาบด้วยอะไรแค่นี้ก็ไม่ได้โอ้โหใส่ปุ๊บป๊บปุ๊บปเลยพูดกระทงซ้ายกระทงขวาจนในที่สุดเขาเอ้าวไปสมมติเงี้ <c oughs> ลักษณะนี้เป็นสมาชีวะหรือวิชาชีวะเห็นไหมมันจะออกมาลักษณะงี้เป็นต้นเคยทําหรือไม่เคยบ่อยไหม งั้นถ้าหากต้องการให้ตัวกุศลศีลดีจริ ง, รงๆก็จะต้องเป็นผู้ที่มีสัมมาชีวะถามว่าเราสามารถพูดพูดขอต่อลดราคาเขาได้ไหมได้แต่อย่าไปโกหกเขาแล้วก็สามารถพูดว่าเอ๊ะแม่ค้าลดหน่อยได้ไหมรู้สึกของมันจะแพงขึ้นอธิบายอย่างอื่นเนีนีอย่างเงี้ยไม่เป็นไรหรอกแต่อย่าไปโกหกเขานะว่าโอ้โหเมื่อวานนี้ราคาก็ถูก ทั้งๆที่เราไม่ได้เมื่อวานนี้ไม่ได้รู้เลยราคาเป็นเท่าไหร่เนี่ยพูดส่งเด็ดไปเลยเงี้ยเป็นต้นอันนี้เ็าเรียกเลี้ยงชีพผิดหรือถูกผิดอย่างเงี้ยศีลพังหรือยังพังแล้วเห็นไมว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องการสมาทานศิกขาบทหก็ดี8ก็ดีเนี่ยอันนั้นก็เป็นเรื่องที่จะต้องฝึกตนเองเมื่อกี้ยอมถาม คือในศีห้าเนี่ยก็ถ้าจะอาจจะฝึกให้ฝนให้พัฒนาจริงๆเนี่ยทำสีลภาวนาให้เกิดขึ้นคําว่าภาวนาทําให้ตัวกุศลสีเจริญจริงๆความไม่โลภเจริญขึ้นจริงๆกุศลจิตเจริญขึ้นจริงๆความไม่โกรธก็เจริญขึ้นจริงๆปัญญาก็เจริญขึ้นจริงๆแล้วก็ตัดรอนบาปได้อย่างรวดเร็วจริงๆที่จะล่วงละเมิดออวทางกายทางวาจาเป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นนะนะ ถามว่าเวลาโกรธเนี่ยเวลาโกรธเกิดขึ้นเนี่ยแปลว่าตอนนั้นมันจ่อจ่อที่จะล่วงละเมิดหรือยังจ่อแล้วเตรียมแล้วถ้าไม่รีบตัดลอนที่จิตก่อนเดี๋ยวล่วงละเมิดพระรุศวะออกมาจะได้เรานึกว่าการรักษาศีลเนี่ยไม่พูดเท็จแค่นี้พอเรานึกแค่นี้แหละเรานึกว่าพูดคำหยาบไม่ผิดศีลใช่ไหมถ้าเราสมาทานศีลห้าเราคิดกันอย่างนั้นใช่ม จริงไหมจริงพูดสอ่อเสียให้คนทะเลาะกันเราก็คิดว่าไม่ผิดศีลใช่ไหมแล้วก็พูดเพอเจอร์ไรสาระตลกคนองเหมือนชอบดูตลกอะ่ะเหมือนพวกตลกนั้นผิดศีลตลอดนะพวกเนี้พูดให้หะเลาะพูดเท็จปนจริงจริงปนเท็จตลกไปวันๆเนี่ยแล้วเราก็ไปดูอย่างนั้นแล้วก็มเอามาเล่าต่อสนุกเลยเนี่ยนี่เขาเรียวกว่าเพอเจอร์ศีลพังไปได้ยังงเนี้ย ผู้สอนศีลพังเรียบร้อยแล้วนี่เขาเรียกไม่เจริญศีลไม่เจริญขึ้นแคน่้นเวลาเราสมาทานศีลเราก็นึกว่าข้อเดียวใช่ไม่ใช่นึกว่าไม่พูดเท็จเราไม่เคยโกหกใครเลยแต่เผลอพูดหยาบไปไม่รู้เท่าไหร่เลยบานเลยพูดหยาบถ้าลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าผิดศีลทางวาจาเห็นไหมศีลเนี่ย ตักุศลศีลจริงๆต้องเจริญขึ้นแล้วก็ปิดบาปทางกายทางวาจาได้จริงฉะนั้นเวลาโกรธแล้วถ้ายังไม่พูดล่วงละเมิอดออกมาตอนนั้นรากของศีลเริ่มขาดแล้วรากของศีลในใจนะขาดไปแล้วฉะนั้นต้องรีบต่อไหมต่อไปต้องรีบเปลี่ยนจิตให้เป็นกุศลไหมต้องรีบในการที่จะเปลี่ยนจิตที่เป็นกุศลทันที ยากไหมรักษาศีลยากไหมยากยากหรือไม่ยากไม่ยากรักษาศีนี่ง่ายแต่ทําให้ศีลขาดนี่ยากเช่นสัตว์มีชีวิตนะถ้าศีนข้อแรกจะขาดนี่นะสองรู้ว่าสัตว์มีชีวิตสามมีจิตคิดจะฆ่าสี่ทำความเพียนเพื่อฆ่า 5. สัตว์ตายลงเพราะความเพียรดูสิต้องคบองค์ประกอบเนอะศีลขาดเป็นครบกรรมบทมันยากนะการจะทำบาปเนี่ยถ้าคนคนคนชัวนะ่วเนี่ยทำง่ายแต่คนคนดีเนะี่ยทำบาปยากมากเพราะมันต้องอาศัยองค์ประกอบเยอะแต่ถ้าหากทำจิตให้เมตตาเนี่ยไม่ต้องมีองค์ประกอบเลยเยอะเลย ก็คือเมื่อเห็นบุคคลอื่นก็รักปรารถนาดีเอื้อทอนให้เขามีความสุขให้เขามีอายุยืนแค่นี้แหละแค่นี้กุสนัตสินรักษาดีแล้วและใจก็เป็นไปกับความสุขความสงบความร่มเย็นแล้วไม่เห็นต้องอาศัยองค์ประกอบใดๆเลยง่ายไหมล่ะลอง่ายแต่คนไม่ฝึกที่จะเจริญกันเองใช่ไหมล่ะล้อเ น, นี่ยตอบประเด็นนี้ไม่จบทีนี้เออเรื่อง ไปดูละครไปดูไปดูอะไรนะเมื่อกี้อย่ามาดูอะไรกับลูกนะดูทีวีลูกดูละครอยูไอย่ไหมโยมพระสินข้อที่ที่เจ็ดใช่ไหมดูการละเล่นถามว่าศีลจะขาดไหมโอกาสโอกาสขาดมันมันมันจะวันระวังได้ยังไงถ้าไปดูแล้วจะระวังได้ยังไง เออในข้อนี้มันมันมันจะด่างพ้อยนะมันจะด่างพ้อยทันทะีเวลาไปดูเนี่ยแต่ถามว่าเวลาจะดูเนี่ยยอมตั้งจิตยังไงยอมตั้งจิตยังไงจะดูเพื่อศึกษาแยกแยะวิจัยเอาสมมุติถ้าไปดูนี่นะยอมไปอธิบายให้ลูกเขาฟังไหมลูกเอเอไอคนแสดงเหล่านี้ยลูกว่านะพอไปถึงก็อธิบายคุยกับลูกเลยลูกว่ามันเป็นเรื่อง จริงหรือเรื่องเท็จนี่ ท, ที่ตัวละครที่มาแสดงกันเนี่ยลูกเคยรู้ไหมอา้าวลองลองดูประวัติตั้งแต่ละบุคคลนี่นะเพราะงั้นอา้าวเรื่องราวที่เขาเขียนขึ้นมาเนี่ยเขาแต่งขึ้นมาเนี่ยเขาเขียนแต่งยังไงเอาวิจัยนะไอคนนี้แสดงเป็นนางเอกคนนี้แสดงเป็นพระเอกอันนี้เป็นแสดงเป็นตัวช่วยนี่แสดงเป็นพ่อเป็นแม่ น, นี่เป็นแสดงเป็นตัวผู้ร้ายก็ว่าไป ก็อธิบายให้ลูกฟังบอกว่าเนี่ยอรกรณีที่เขาแสดงแบบนี้เนี่ยถามว่าเขามาแสดงให้เราดูฟรีๆหรือเขาจะต้องได้ค่าจ้างให้ลูกศึกษาให้วิจัยไปเรื่อยๆว่าทําไมเขาต้อ ง, องมาทําหน้าทําตาถามว่าในข้อเท็จจริงเนี่ยในครอบครัวเนี่ยเวลาคนทะเลาะ ก, กันเนี่ยมันหรือเวลาคนเขาประพฤติปฏิบัติต่อกันเนี่ยเขาเสแส้งปั้นสีหน้าแววตา หรือทําท่าทําทางถึงขนาดนี้ไหมโดยข้อเท็จจริงทําไมเขาต้องพยายามแสดงดูจนน่าเกลียดน่ากลัวก็มีบางบทเนี่ยแล้วก็ในข้อเท็จจริงเนี่ยเวลามันต่อสู้กันจริงๆเนี่ยโลกเชื่อไหมว่าไอ้ตัวพระเอกมันชนะอยู่เรื่อยเนี่ยมัน ม, ม, นมีมันมีจริงไหมไอ้คำว่าพระเอกจริงๆมันมีอยู่จริงไหมให้ให้เขาได้วิเคราะห์ให้เขาศึกษา เออจริงๆยอมได้เคยไปสอนเป็นแน่ให้เขาศึกษาวิจัยแยกแยะไหมเขาดูเพื่อเสพติดดูดูเพื่อศึกษาเนี่ยไหนมากกว่ากันต้องถามลูกก็อย่างนี้นะถ้าลูกระหว่างลูกดูละครเนี่ยลูกดูเพื่อเสพติดกับดูเพื่อศึกษาวิจัยแยกแยะความเป็นมาเรื่องราวตลอดถึงบุคคลผู้แสดงเนี่ยแล้วเขาแสดงเสร็จนะลองสังเกตช่วงระยะการขั้นเนี่ยขั้นรายการการแสดงก็จะมีโฆษณามา โฆษณามาล่อเป็นแถวเป็นแนวเลยแล้วลองสังเกตที่เนี่ยลูกก็ดีหรือว่าในบ้านเราก็ดีเนี่ยเราอย่าคิดว่าเราจะไม่มีอิทธิพลกับเราเนะเราเนี่ยไอ้ที่มันโฆษณาในโทรทัศน์ทั้งหลายอยู่เต็มบ้านแล้วหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแฟบไม่ว่าจะเป็นสบู่ไม่ว่าจะเป็นยาซิฟันไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าของใช้กระเป๋าอะไรต่างๆเหล่านี้ที่มันโฆษณามาของมียี่ห้อของแบรนด์เนมทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยโอ้โห เ, เนี่ยลูกก็ร้องอยากจะได้ ยังว่าแต่ลูกเลยแม่ก็อยากจะได้ด้วยแล้วก็ไปซื้อเห็นไหมแล้วก็ไปเสพติดไปซื้อที่สุดจริงๆก็คือว่าเราก็ไปเสียอยู่ดีนั่นแหละเพราะเราไม่ได้วิจัยแยกแยะอะไรอย่างแท้จริงเราไม่ค่อยได้ปัญญาแต่เราได้ความโลภแทนได้ความหลงแทนได้ความมัวเมาแทนนั้นถ้าเราจะแนะนําลูกก็ต้องแนะนําให้ลูกวิจัยแยกแยะศึกษา นะอย่าดูอย่างเสพติดแต่ที่สุดจริงๆนะศีลก็ต้องเศ้าหมองในขณะที่เราดูละคอเอาวิธีการทำยังไงถ้าเรายังอยู่กับลูกอยู่กับเนื่องต่างๆก็คือว่าวิจัยแยกแยะให้เขาแล้วก็สมาทานใหม่ถ้ามันจาเป็นจริงๆนะโยมนะไอ้ศีลข้อดูการละเล่นเนี่ยถ้าเราดูอย่างไม่เพลิดเพลินไม่อะไรต่างๆเนี่ย มันก็ไม่จัดว่าเป็นร่วงละเมิดเลยทีเดียวนะตรงนั้นนะะเพราะไม่ได้เป็นไปกับความเพลิดเพลินยินดีหรือว่าหลงไหลอะไรต่างๆเหมือนเราเหมือนพระเดินไปเอาเห็นเงี้ยเห็นท่านก็สํารวจบินทรีย์ทันทีเลยนะปิดบาปไม่ให้เกิดขึ้นแต่ยังว่ามันปิดยากที่ส่วนจริงเมื่อกี้ยอมก็บอกมันโกรธขึ้นมาก็มีใช่ไหมอย่างงี้เป็นต้นยอมก็ต้องพยายามนี่แหละสมาทานใหม่นะเนี่ยสมาทานใหม่ มันก็มันพร้อยแต่ถ้าหากว่าจะทำอย่างนี้อามาแนะนำเนะนี่ยแนะนำก็คือว่าให้สมาทานกายสุจริตสามด้วยแล้วก็สมาทานวัจีสุจริตสีด้วยใช่นี่ปลาไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยเป็นเจ็ดแล้วนะเป็นเจ็ดแล้วนะ แล้วก็สมาทานสัมมาอาชีวะด้วยก็เป็นแปดสัมมาสัมมาอาชีวะด้วยก็คือการเลี้ยงชีพที่ถูกแล้วก็มาฝึกฝนมาเจริญจริงๆเลยย่อมจะได้แปดขึ้นมาเลยนะคือแยกขยายจากมูสาวาสไปด้วยงดเว้นจากการพูดเทศก็ขยายงดเว้นจากการพูดส่อเสียดงดเว้นจากการพูดคําหยาเพื่อเจริไปด้วยนะแล้วก็เอาเลี้ยงชีพที่ถูกไปด้วย <S <S ก็กลายเป็นเท่าไหร่แล้วเนี่ย เป็น8แล้วก็สมาทานตัวงดเว้นจากการดื่มสุราและเมีนให้เป็นเ้าเขาอีกเห็นไหมศีลมันสามารถที่ขยายเองได้แต่ว่าศึกษาบทแต่ละข้อแต่ละข้อมันไม่อยู่ที่ว่าไอ้ที่8ดข้อเนี่ยบางทีเราจริงๆการรักษาที่จะให้ได้ประโยชน์จริงๆก็คือว่าให้สังเกตดูนะตั้งแต่ข้อที่ข้อที่6เนี่ยไม่กินอาหาร แต่ถามว่ายอมได้ยอมชื่นใจทุกครั้งไม่ที่เห็นลูกกินอาหารเห็นคนอื่นก็กินอาหารในยามวิการว่าเราสามารถงดเว้นได้เราสามารถไม่เห็นแก่ปากไม่เห็นแก่ท้องไม่เห็นแก่การบำรุงบำเลยอยมถ้าเจริญได้อย่างนี้สแสดงว่าตัวกุศลศีลมันเกิดจริงแล้วก็ดูการลเล่นเล่นการพ น, นันการดูการลเล่นทั้งหลายเป็นต้นแล้วก็การประดบประดา ต, ตกแต่งสีผิว แล้วก็ที่นอนที่นั่งเป็นต้นฉะนั้นการที่เราเราเจริญได้ด้วยเราทําให้สีนั้นเจริญขึ้นได้คือตัวกุศลเจริญขึ้นก็กากับกายวาจาใจาเป็นต้นดังที่ได้กล่าวตรงนี้นะถ้าถามว่าถ้าไปดูเลยเนะี่ยดูกับลูกเลยเนะี่ยถึงแม้มันจะมีข้อด่างพ้อยบ้างนะแต่ถ้าดูแล้วยอมช่วยอธิบายให้ลูกฟังแต่ยอมต้องไปวิเคราะห์นะ ว่าประวัติแต่ละคนเป็นยังไงอุปนิสัยผู้สแสดงเป็นยังไงเรื่องราวที่เขาเขียนเป็นยังไงลองดูค่านิยมของผู้สแสดงเป็นยังไงทัศนคติมุมมองของเขาเป็นอย่างไรคนแบบนี้สมควรเป็นแบบอย่างเป็นเยี่ยงอย่างไหมเขาเป็นคนดีจริงไหมดูที่ศินข้อที่หนึ่งเขารักษาได้ไหมศีลข้อที่สองเขารักษาได้ไหมศีลข้อที่สเขารักษาได้ไม โดยเฉพาะเห็นไหมเวลาเขาแสดงเนี่ยเขาจะพูดเท็จบ้างพูดสอเสียดบ้างพูดคําหยาบบ้างพูดเพ้อเจ้อบ้างอยู่ตลอดเวลานะนักแสดงเนี่ยฉะนั้นกุศลศีลเขาไม่ได้ดีจริงนะบางทีเขาก็ดื่มสุราเมีัยกันนะฉะนั้นบุคคลเหล่านี้ไม่ใช่ฮีโร่ไม่ใช่แบบอย่างในใจของลูกที่จะเอาเป็นแบบอย่างนะเพราะไม่ใช่คนดีแต่เป็นคนที่เราควรศึกษาวิจัยแยกแยะว่ากลุ่มกนี้เป็นกลุ่มนักแสดงเป็นกลุ่มที่จะต้องผิด ตัวศีลเหล่านี้อย่างไรอย่างนี้เป็นต้นก็บอกเขาแล้วก็บอกว่าบั้นปลายชีวิตของเขาชีวิตของเขาจะเสียหายอย่างไรว่าเขาทํากรรมแต่ละวันแต่ละวันในการเขาพูดเท็จก็ได้พูดส่อเสียดก็ได้พูดคําหยาบก็ได้พูดเพ้อเจ้อก็ได้เป็นต้นแค่นั้นกระแสชีวิตของเขาเนี่ยเขากรรมที่เขาทำเนี่ยจะทําให้เขาเดือดร้อนครอบครัวเขาจะแตกแยกยังไง เห็นไหมยุคต้ังเกตียดตัวไหมกลุ่มนักแสดงทั้งหลายกลุ่มดาราทั้งหลายครอบครัวเขาโดยมากมีปัญหาแทบทั้งนั้นอะไรเงี้ยเขาก็อธิบายเขาฟังไอ้กรรมที่เขาทำเนี่ยนะลูกนะลองดูเถอะดูเหมือนจะดีนะบางทีดูเหมือนเขาใช้ลดราคาหรูหรูแพงแพงแต่ยอมลองดูทีเขาไม่ลูกลองดูทีเขาไม่ได้มีความสุขนะก็ต้องเดือดร้อนถ้าเขามีสามีเดี๋ยวสามีก็ไปมีชู้บางทีก็อะไก็จะมีปัญหาทะเลาะบอกแหวงเราจะเห็นเดี๋ยวก็ปัญหาหย่าล้างกันปัญหาทะเลาะกัน ปัญหาไม่เข้าใจกันมันจะเกิดขึ้นในวอร์งสังคมนี้ตลอดเวลาแล้วพวกเราก็มักจะเอาไปดารานี่แหละเป็นแบบอย่างเป็นอะไรในใจของเราเนี่ยอันนี้มันไม่ใช่นะว่างั้นเอ็นไหมเราจะดูคนนะลูกเราก็ดูว่าเขามีศีนหน้าไหมเช่นเราจะดูผู้นําแต่ละคนเราดูที่เขาฆ่าสัตว์ไหมดูที่เขารักทรัพย์ไหมดูไหมกขาประพฤติผิดในการมไหมดูที่เขาพูดเทศสอเสียดคาหยาเพือเจอรไหมดูเขากินสุรามไหมถ้าเป็นอย่างนี้ เราก็บอกว่านี้ไม่ใช่ผู้นาเราลอกลูกผู้นาจริงๆมันต้องคนดีคนมีศีลธรรมสิแล้วดูอย่างนี้ก็ไม่เห็นที่จะต้องไปอยากเสพติดกับเรื่องเหล่านี้เลยพวกเหล่านี้ยมีแต่ยั่วยุมีแต่บ้ามีแต่ขอไฟมีแต่การชักนําเราไปเสียหายใช่ไหมไม่เห็นมีอะไรไปนั่งฟังก็มีปลุกกระดอมกันปื้อนๆอย่างเงี้ยนักแสดงก็เหมือนกันด่ากันก็ด่าแรงแรงด่ากันแรงแรงทำดีทําท่าเหมือนจะฆ่ากันเนี่ยใช่ไหมลูก ยอมไปดูแล้วยมไม่เวียนศีรษะกันบ้างเหรอเออเดี๋ยวมาพอพูดถึงเรื่องนี้มาเล่าให้ฟังนะามาเป็นตั้งแต่เด็กๆนะามาดูละครไม่ได้แต่สมัยก่อนมันมีไอ้ละครที่มันแสดงบนเวทีนะพ่อแม่ก็พาไปดูเล็กๆกันมาก็เล็กๆไปไปในในโรงภาพยนตร์ก็ไปดูเขาแสดงอามาก็นั่งอามาถามเขาก่อนตอนเด็กๆมาก็ถามเมฆถามหน้าหนะา ไอ้นี่มันเรื่องจริงหรือเขาแสดงออกมาถด้จะได้ตั้งหลักได้ใช่ไหมเป็นเด็กๆอ่ะไอ้นี่เรื่องจริงหรือเขาแสดงเขาอ๋อเขาแสดงอ๋อจะได้วางใจไว้เขาแสดงก็นั่งดูนั่งดูเขาไปเรื่อยๆเรืๆทีนี้มันจะมีเรื่องในเรื่องมีอย่างนี้ว่าไอ้คนที่เป็นนางเอกนี่เป็นลูกคนมีทรัพย์ไอ้คนที่แสดงเป็นพระเอกนี่เป็นคนยากจนนะเป็นคนยากจนไอ้ไปๆมาๆเนี่ยไอ้เจ้าคนเนี้ยไอ้เจ้าคนนี้มันอยากจะได้ไอ้คนที่เป็นนางเอกเนี่ย มันก็ไม่มีเงินมันก็โอ้โหร้องหมร้องไห้กันเลยตอนนี้ไปไปมามันบอกว่าถ้ามันไม่มีเงินมันไม่สามารถไปขอได้มันก็เลยถือภาชนะลงมาเนี่ยมาขอเงินคนดูไอตรงนี้แหละเอามาเป็นเด็กเอามาทนไม่ได้เลยนึกยัยเออเอามาก็พรเดินมาใกล้ๆมันก็เดินเข้าไปเลยนะเป็นเด็กๆนี่นะมาก็ไปชี้หน้าก็เฮ้ยนี่มันแสดงทําไมมาขอเงินกันจริงๆไงไอขอเงินมันขอจริงใช่ไหมมันบอกมันแสดงไง เออถ้ามันแสดงเราเอาเงินกระดาษให้มันใช่ไหมสมมติว่าเป็นเงินงี้เพราะว่าอันนี้มันเล่นเอาเงินจริงๆใส่ขาไอ้เจ้านี้ก็ร้องไห้ไอ้น้าน้าก็ไปดึงแขนนอตมาไปมาเอ้ยอ้นี่ไม่รู้เรื่องด่าตานี่นะตามาก็มนั่งนึกเอม้มันมันมันหลอกกันเนี่ยามานึกอย่างนี้นะเนี่ยมาเป็นคนดูละครก็ไม่เป็นดูลิเกก็ไม่เป็นเขาก็ลากไปดูอยู่ข้างหนึ่งพอไปเห็นไปเสร็จเอามาไปเห็นเราหูไม่ไหวเลย คืออามาเนึกทําไมมันเดินแบบนี้วะอามานึกจริงๆนะคือปกติคนเรามันต้องเดินปกติธรรมดาใช่ไหมอันนี้เวลาเดินเขาจะเดินประหลาดเดินออกมาอย่างเงี้ยเดินเงนี้ยแล้วอามาก็นั่งงงเนี่ยก็นั่งอยู่บนเตียงเนี่ยโยมแล้วเขาก็บอกว่ามันเป็นเมืองแล้วก็บอกเป็นราชวังไอ้คนโดก็มองเป็นราชวังอามาก็ดูมันเป็นตรงไหนว่าราชวังอามาก็ดูอย่างเงี้ยนะ S <S เออบอกว่าเอนดูในป่าเขาบอกว่าเป็นป่าเขาก็เอาเอาไ อ, าอา้ฉากมากั้นว่าเป็นป่าอามาก็มองไม่ออกว่ามันเป็นป่ายัางไงคืออามาเป็นคนไม่มีจินตนาการตอนเด็กๆ ก, ก็ไม่มีอามาก็โผล่ไล่สาร้างจริงเนี่ยเป็นอย่างงี้ยองเป็นไหมแบมบอตมากบ้างไหมโอ้อามาลําบากใจมากคืออามาไม่สามารถที่จะดึงอารมณ์ว่าอารมณ์ไปตามเหตุการณ์ที่เขาเล่าได้คือมันทําไม่เป็นจริงๆ ไม่รู้จะทํำยังไงเพราะของมันไม่จริงมันก็เห็นโนโทษอยู่ใช่ไหมแล้วเราจะแกล้งทําปัญญาอ่อนไปดูว่ามันจริงเนี่ยยมทําได้ไหมาถามจริงจริงเช่นไอ้คนมาแสดงแล้วนั่งร้องไห้เนี่ยอามาก็ไปดูให้มันร้องไห้กันทําไมเนี่ยก็ก็รู้อยู่ว่าเขาแสดงแนละ้วมันนั่งเช็ดน้ำหูน้ําตาอยู่นะแล้วมันประหลาดใช่ไหมอามาก็ทําไม่เป็นนะอยากจะไปร้องไห้ตามเขาเอามาก็ทําไม่เป็น คือถ้าจริงนะก็เพราะว่า น, นี่มันไม่จริงไงเออถ้าเรื่องจริงๆคนตายคนเจ็บคนวิบัติกันจริงจเนี่ยเขากำลังโศกเอออย่างนี้มันน่าร้องจริงนะเราสงสารเขาใช่ไหมอันนี้มันไม่จริงไงโยมที่ามยงนยอมเป็นแบบนี้ไหมคือเกือมาทําไม่ได้คือจะทําแบบว่าจะดูว่ดีเหลือเกินหรือไงมันมันทำไม่ได้มันคิดออกหมดไง มันคิดออกว่าเออมันเรื่องราวเป็นยังไงเป็นยังไงแล้วเขาแสดงยังไงไอเรื่องนี้แสดงล้อเรื่องจริงหรือไม่ล้อเรื่องจริงมันคิดออกหมดไงใช่ไหมมันก็เลยไม่ได้อารมณ์อย่างที่อย่างที่เขาว่าทำงานอยู่ฝ่ายการตลาดตอนปีใหม่ทุกปีลูกค้าจะขอของขวัญเป็นเหล้าถ้าให้เหล้าตามที่ลูกค้าขอก็คือผิดศีลก็ห้าหรือไม่ ลูกค้านี่เป็นหมายถึงเราขายของใช่ไหมโยมอันนี้หมายถึงทำงานอยู่ในฝ่ายการตลาดลูกค้านี่ใครลูกค้านี่หมายถึงคนที่เข้ามานนไม่รู้ใครเป็นคนถามปัญหานี้ไม่รู้เออยกมือหน่อยทีรบับมีไหมไม่มีมาเลยอ๋อเป็นยังไงเป็นยังไงลูกค้านี่หมายถึงเราเราขายของด้วยหรือเปล่า แล้วเขามาขอลูกค้ามาขอเหล้าแล้วทําไมต้องให้เหล้าเปลี่ยนอย่างอื่นไม่ได้หรือมีอย่างอื่นตั้งเยอะแต่ที่มันดีกว่าเหล้าก็ได้ก็มีเนี่ยที่จริงๆการให้เหล้าเนี่ยการให้เหล้าเนี่ยมันเป็นไม่ไม่เรียกว่าทานไม่เรียกว่าทานเหมือนการให้เหล้าก็ดีการให้ยาพิษก็ดีเป็นต้นเหล่านี้นะการให้ กิจกรรมอลามกอันนี้ไม่เป็นทานนะการให้โคตัวผู้เพื่อโคตัวเมียให้มันก็ไปสืพันธ์กันเนะี่ยอันนี้ไม่ไม่เป็นทานหรอกสิ่งต่างๆเนี่ยการให้สุรายาเมาไม่เรียกว่าทานถ้าจะให้เนี่ยพระโพธิสัตว์ข้าให้แบบนี้นะยกตัวอย่างพระโพธิสัตว์ตอนบำเพ็ญทานบารมีนี่นะมันก็จะมีกิจกรรมเหล่านี้จะมีนักเลงสุรามีต่างๆเนี่ยแต่ท่านให้โดยหมายใจว่าถ้าไม่ให้พวกนี้ จะมารบกวนการกิจกรรมเจริญกุศลของท่านก็เลยป้องกันไว้พวกนี้ยังไง ม, มันนักเลงมันเกเรเป็นคนพาดอยู่แล้วเนี่ยท่านก็เลยไปตั้งไว้ให้มันกินกินกันไปแต่มีข้อแม้อย่ามารบกวนคนดีเขาอย่ามารบกวนกิจกรรมในการเดินทานกุศลของท่านอย่างนี้เป็นต้นท่านให้เหมือนกันแต่ฉลาดในการวางใจนะฉลาดในการวางใจนะแต่ถ้าหายกรณีถ้าเราสามารถหลีกเลี่ยงได้หลีกเลี่ยงนะีข้อนี้มันเขาเรียกว่าไม่เป็นทานกุศล ไม่เรียกเป็นการให้ของมึนเมาไม่ดีด้วยไม่ดีตรงที่ว่าไอ้ของมึนเมามันทำลายสติสัมปชัญญะทำให้ฟั่นเฟือนทำให้เลือนหลงกรรมที่ทำตรงนี้มันจะให้ผลที่เราดูนะจะให้ผลที่เราให้สังเกตดูี่คนที่ขายเหล้าขายบุหรี่ทั้งหลายเหล่านี้ตนเองจะได้บริวารญาติมิตรโดยมากก็ได้ปัญญาอ่อนบ้างอะไรบ้างเยอะแยะ หลายหคนก็อีกท่นพูดงี้ยังมีเรื่องค้านเยอะเลยนะเนี่ยนายยองก็บอกว่าแหมบางคนนี่เป็นกิจกรรมระดับประเทศเลยใช่ไหมเอองี้เดี๋ยวมาพูดชี้ประเด็นนี้ให้ฟังยอมจะได้ได้มุมคิดทุกวันนี้เป็นยุคเขาเรียกว่ากาลวิบัตนาะยยอมนะฉะนั้นกาลวิบัติในเวลาคนทําชั่วเนี่ยในเวลาคนทําชั่วนี่นายยมเนี่ ย, นะย ถ้ามบางทีเราก็จะไม่ค่อยเห็นทันทีว่าเขาจะได้รับผลนะผลแบบจัดจานะด้านจิตใจเขาได้อยู่แล้วด้านบุคลิกภาพก็ได้อยู่แล้วแต่ผลที่จะทำให้เขาเสื่อมลาบเสื่อมยศนินทาและประสบความวิบัติเนี่ยจะไม่ค่อยได้เห็นเร็วทั้งๆที่เขานําสิ่งไม่ดีให้กับคนทั้งหลายเนี่ยเพราะการนี้เป็นการลวิบัติคําว่าการลวิบัติก็แปลว่าเวลากรรมชั่วมันจะให้ผลมันจะต้องรอจังหวะค่อนข้างนานหน่อย แต่เวลามันจะให้ผลเนี่ยมันจะให้แบบแรงเลยนะโยมนะยกตัวอย่างเช่นในปีห้าสี่ใช่ไหมน้ํามันท่วมประเทศเราเนี่ยเนี่ยอันนี้มันมาจากกรรมแตกแยกกรรมจากการด่าการประทุษร้ายการการแตกแยกกันเนี่ยการเข็นฆ่ากันเนี่ยกรรมเหล่านี้มันจะมากับพร้อมกับฝนมาพร้อมกับพายุพวกนี้นะกรรมเหล่านี้แต่เวลามันจะให้ผลเนี่มันมันจะนานมากมันสั่งสมมาไม่รู้กี่สิบปีละ ค่อยๆสั่งสมมาสั่งสมมาสั่งสมมาเพราะมันสุกงอมทีมันก็ตุ่มดีแล้วก็วิบัติกันทีพอยฟ้าพอยฝนกันดีไอ้คนที่ทําบ้างไปทําบ้งางก็กรรมตนเองที่ทําไว้ในอดีตก็ตามให้ผลด้วยก็เจอกันเป็นแถวเป็นแนวอย่าเงี้ยแต่กลุ่มบุคคลเหล่านี้ก็จะลืมเพราะไม่รู้ว่านี่กรรมวิบัติแล้วแล้วก็กลับมาทํากันใหม่เพราะไม่รู้ไม่รู้เหตุและผลเหมือนฟิลิปปินเนี่ยเหมือนไทยโดนสซนามีเหมือนศรีลังกาโดนสซนามีเนี่ย หรือฟิลิปปินส์ที่โดนโดนพายุที่ไปไม่นานเนี่ยโดนระดับอย่างหนักเลยเนี่ยเนี่ยกรรมที่ทํารักเนี่ยกรรมพวกนี้เป็นกรรมที่เกี่ยวกับการประทุสร้ายกันฆ่ากันเข็นฆ่าลิษยากันเป็นต้อนอะไรเงี้ยการละกันกรรมจากการผิดศีลเหล่านี้แหละปฏิบัติ บ, บ้างอธินนาทานบ้างลิษยาบ้างประทุษรลายกันบ้างให้ร้ายไปสีกันด่าทอกันแล้วยกพวกอาจจะตีกันวังจะเลาะกันเงี้ย เดี๋ยวก็เวลานานๆเมื่อกรรำนั้นสุกงอมแต่ต้องใช้เวลานา น, านหน่อยแล้วก็ตุ่มแต่ก็ไม่รู้ตัวกันหรอกเพราะคนไม่รู้เหตุและผลแล้วยุคนี้เป็นการปิบัติและในขณะเดียวกันเวลาพวกเราทําความดีก็จะเป็นแบบนี้เหมือนกันต้องใช้เวลาต้องใช้ความฝึกฝน ต, ต้องเพียรพยายามมากแต่ไม่ต้องกลัวนะกุศลกรรมย่อมให้ผลดีอยู่แล้วระดับแรกมันให้ผลระดับจิตใจอยู่แล้วระดับที่สองก็ให้ผลที่บุคลิกภาพพฤติกรรม ส่วนระดับที่3ามเนี่ยจะมียอดสุขสรรเสริญประสบความสุขความเจริญเนี่ยต้องรอจังหวะเพราะการนี้อย่างที่บอกแล้วถ้าเป็นการที่คนดีมีศีลธรรมเยอะๆนี่เนี่ยยุ่งเลยนะเนี่ยประทุสลายกันแบบนี้ไม่ทันเจวันน่วิบัติทันทีเลยนะถ้ามีคนมีศีลมีธรรมอย่างลึกซึ้งจริงๆเนี่ยนะอย่างยกตัวอย่างเช่นพระเจ้ากลาปูเนี่ยประทุสลายประทุสลายคันติวัีดาบทเนี่ย นีทบเดียวนั้นแผ่นดินสูบเดียวนั้นเลยเนี่ยอันนี้ก็แปลว่าโอ้โหคุณธรรมท่านหนักมากว่าบริษัทคุณธรรมยิ่งใหญ่มากในยุคนี้ถ้ามีคนมีคุณธรรมที่ยิ่งใหญ่น ะ, จะเจริญกุศลอย่างต่อเนื่องเป็นพระมีศีลมีกัลยาณธรรมดีๆจริงๆเนี่นะแล้วมีคนวาทุศร้ายเนี่ยทันทีเหมือนกันทันทีเหมือนกันเพราะกุศลท่านแรงมากานี้เป็นต้นแต่ในยุคนี้สังเกตดูทีคนที่อัดกันไปอัดกันมาเนี่ยโดยส่วนใหญ่และกลุ่ม คนไม่มีศีลต่อไม่มีศีลเล่นกันไอคุณธรรมในแต่ละคนก็มันก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่มันก็เลยค้าจุนกันอยู่แล้ดูเหมือนจะไม่ให้ผลแต่ก็ให้เห็นไหมนานๆก็จะเนี้ยทําให้วิบัติยังไงก็ว่ากันไปเถอะทาให้ครอบครัวแตกแยกทําให้วิบัติทําให้ยากจนทรัพย์สินวิบัติทําให้ชีวิตต้องเสียหายต่างๆเนี่เป็นกันหมดอย่างเนี้ยอย่างประเทศเราเดี๋ยวน้ําท่วมที่นุ่นท่วมที่เนี่ยเห็นไหมจะวิ บ, บัติกันอย่างนี้แหละก็ไม่รู้ตัวกันหรอก นี่แหละหน่ากลัวตรงนี้แหละแต่เห็นไหมว่ากรรมแบบนี้กรรมหมู่กรรมที่ทําร่วมกันอกุศลที่ทําร่วมกันหรืออย่างพวกเราที่กุศลที่ทําร่วมกันแบบเนี้ยลองดูที่เนี่ยเอาเขาแตกแยกกันแต่เราก็มารวมกันเป็นเป็นแสนเหมือนกันแต่เจริญกุศลเนี่นะอีนนี้จะ โ, โหคานอยู่เหมือนกันกุศลของกลุ่มคนทําดีก็จะคานอยู่เหมือนกันนี่เป็นอย่างนี้นี่ถ้าถ้าฉลาดกันหน่อยนะ ผู้นำทุกองค์กรทั้งหลายก็ประกาศตมเลยเนี่ยว่าเอาละเชิญท่านทั้งหลายเนี่ยมารักษาศีลมาปฏิบททัติธรรมเอาหาสถานที่รองรับอายุพุทธรองรับได้เท่าไหร่อัดเข้ามาสถานที่ต่างๆรองรับได้เท่าไหร่อัดเข้ามาแล้วก็ให้เจริญกุศลศีลต่อเนื่องแล้วก็บอกเนี่ยถ้าเราไม่ทำอย่างนี้จะทำให้วิบัติเกิดขึ้น <c oughs> เนี่ยทำเนี้ยจะคำได้แต่ถ้าหาโอ้คนเจริญกุศลก็ไม่ ไม่ก็อ่อนแอด้วยอ่อนแอทั้งด้านความคิดทั้งด้านความรู้ด้วยก็จะไม่สามารถที่จะจ ะ, จะให้ผลได้ได้อย่างอย่างดูแลนั้นฉะนั้นเราทำความดีก็อย่าท้อนะอย่าท้อสรุปแล้วให้ให้เล่าไม่เป็นไม่เป็นทานกุศลนะไม่เป็นศีลด้วยไม่เป็นศีลกุศลด้วย ที่บ้านทำอาหารขายต้องซื้อปลาที่มีชีวิตมาทำอาหารโอ้โห <c oughs> ถือว่าผิดศีลข้อหนึ่งหรือไม่แต่เป็นมิจฉ า, าชีวะซึ่งเป็นอาชีพที่พุทธเจ้าห้ามหรือไม่ค้าขายสัตว์เป็นเป็นอาชีพที่เป็นมิจฉ า, าชีวะวิธีการทำอย่างนี้ยอมนะให้ซื้อสัตว์ที่เขาฆ่าแล้ว มาทำต้องหลีกเลี่ยงนะเยอมเพราะว่าการการทำแบบมากๆเนี่ยมาเจออยู่รายหนึ่งเปิดร้านอาหารอยู่ออสเตรเลียเขาบอกว่าเขาเร้านอาหารใหญ่มากมีเก้าอี้เนี่ยประมาณเกือบ500รตัวคือร้านอาหารขนาดใหญ่รายได้เยอะมาก ไม่รู้จะอามาอามาก็บอกว่ า, าคุณเลิกเถิเถอะอย่าทำเลยยกเว้นยกเว้นนะคุณจะไม่ไม่ไปเกี่ยวข้องหมายว่าว่าทำยังไงที่จะซื้อของที่ตายแล้วเนื้อที่เขาฆ่าแล้วไม่เป็นไรนะโยม ป่าที่เขาทําของเขาอยู่แล้วแล้วก็ไปจัดการออกมาอย่างนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราไปเอาเป็นๆมาแล้วมาเลี้ยงแล้วมาทบไอ้นี่ไอ้นี่ปัญหาแล้วนี่ปัญหาเกิดขึ้นเพราะว่ามันมันจะไม่คุ้มนะอาชีพประเด็นเนี้ยมันจะไม่คุ้มตรงที่ว่าหนึ่งอายุสั้นกรรมนี้นะเวลาให้ผลเนะี่ย เดี๋ยวมาบอกบอกผลของเขาให้ดูนะว่าบอกแค่นั้นเองแต่ว่าถ้ายอมยอมไปพิจารณาดูนะถ้าถ้าคิดว่าถ้าคิดว่ามันคุ้มมนะถ้าผลที่มันจะได้รับมันจะเป็นอย่างนี้ในในถ้ามันให้ผลนะก็คือ มันเป็นอย่างนี้ผลของปาณฏิบาติเนี่ยอายุสั้นเราจะเป็นคนมีอายุสั้นเรายอมไหมถ้าเราจะทําปฏิบาตแต่เราอายุสั้นถ้ายอมก็ไปพิจารณาสองมีโรคภยยัยไข้เจ็บมากเมื่อกรรมนี้ให้ผลประการที่สาต่อไปจะเป็นถ้ากรรมนี้ให้ผลก็จะเป็นคนทุพพลภาพพิการ ทุพลภาพสังเกตดูนะเราไปทุบเขาเนี่ยเขาที่คนพิการนะนะแล้วก็เป็นคนอ่อนแอเพราะการถูกทุบเนี่ยกําลังที่มีอยู่มันจะฟืบหายไปเลยหายเลยถูกทุบถูกตีถูกฆ่าและเป็นคนเฉยชาสังเกตดูนะบางทีเราไปรังแกเขาไปตัดถูกเส้นเลือดเขาเขาไม่ตายที่สมมติบางตัวเขาหนีได้เขาจะเริ่มเฉยชาไอ้กรรมนั้นจะเป็นเหตุแต่เมืเราเฉ่ยชาด้วยทําอะไรก็ชา้า เส้นเอ็นก็เริ่มตึงนะเพรแก่ตัวไปนักหน่อยๆเนี่ยบางทียังไม่ทันแก่ตัวหรอกเริ่มช้าหมดแล้วก็รูปไม่งามอยอมสังเกตดูนะสัตว์ทั้งหลายเนี่ยมีมีคลิปวิดีโออยู่คลิปหนึ่งตอนนั้นเขาส่งมาให้มามาให้มาเปิดดูเออไม่ใช่ส่งนะลูกศิษย์ก็มาเสิร์ดูว่ามาเห็นแล้วคือมันมีพวกสัตวแพทย์สัตวบาลทั้งหลายอลไรเนี้ย ที่เวลาเขาไปทาไปจัดการพวกสุกรเนี่ย <S <S เขาก็จับสุกรที่มันไม่ได้ขนาดนะททา่ทบทบตุ่มตุ่มตุ่มเนี่ยเขาทบทีเราเป็นร้อยๆยตัวเลยในโรงฆ่าสัตว์เนี่ยแล้วเวลานั้นเขาตอนที่กิจกรรมการฆ่าเนีโโ่ยโหโหดร้ายมากคือดูแล้วรู้สึกว่าโอ้โหสยดสยองมากฆ่าวัวยังไงฆ่าหมูยังไงฆ่าเป็ดฆ่าไก่นี่โอ้โหฆ่ายง ชนิดบางทีเนี่ยเขาใช้อย่างลงไอเป็นที่เข้าไปในเครื่องกันเลยว่างั้นเถอะบางทีลูกไก่เนี่ยเป็นร้อยเป็นมันพันเลยนะฟุบเข้าไปเนี่ยหมุนปุ๊บปุ๊บแป๊บเดียวเนี่ยออกมาเป็นเนื้ออะไรเงี้ยนโอ้โหดูเหมือนว่าชีวิตนี่มันเล่นกันขนาดนี้ลองลองไปดูดูแลยอมจะรู้สึกว่าสยดสยองมาก นั้นทําให้รูปไม่งามหรอกโดนทุบโดนตีหน้าจึงหงีกยงง อ, งองกรรมนั้นก็จะเป็นเหตุทำให้ตัวเองรูปไม่งามด้วยครอบครัวแตกแยกบริวารพินาศก็คือบางทีเขาก็มีเนี่ยพ่อแม่แล้วไปเอาภาคพ่อภาคแม่ก็ามาทุบมาตีมันนั้นมันก็เป็นกรรมเป็นเหตุให้ตัวนี้ก็แตกแยกด้วยแล้วก็ถ้ากรรมนั้นให้ผลจะถูกฆ่าตาย หรือบางทีไม่มีใครฆ่าก็จะมีเรื่องกุ้มทำให้ฆ่าตัวตาถ้ากรรมไม่ผลอยากฆ่าตัวตานี่กรรมพวกปฏิบตัติแล้วก็เป็นคนขี้ขาดหน้เข้าหน่าเข้าจะเป็นคนขี้ขาดเป็นคนหวาดระแวงเป็นกลัวอะไรง่ายแล้วก็จะถูกรังแกแล้วก็เป็นคนที่เป็นที่รังเกียจของคนทั่วไป ทำไมเป็นที่รังเกียจเพราะว่าเราไปทํากรรมตัวนี้ไว้นี่แหละเช่นเช่นไปฆ่าคนเนี่ยนะไปฆ่าอะไรต่างเป็นต้นเนี่ยถามว่าญาติญาติก็ไอ้ถ้าเป็นเหตุทําให้เขาเกลียดชังกรรมเหล่านั้นจะเป็นเหตุทําให้เราถูกเกลียดชังด้วยมีคนปองร้ายมีศัตรูมากแล้วก็จะพัดพาดจากของรักให้สังเกต ด, ดูนะถ้ากรรมนั้นให้ผลก็จะมีลักษณะท่าทางที่ไม่งดงามเหมือนที่สตัตว์ทั้งหลายโดนทุบโดนตี เนี่ยมันจะออกมาลักษณะเงี้ยแต่ในย่า ต, ตรงกันข้ามนะถ้าไม่ฆ่าสัตว์นะถ้าไม่ฆ่าสัตว์เนี่ยก็คือเป็นคนที่อายุยืนเห็นไหมมันจะตรงกันข้ามเลยนะจะเป็นเหตุทําให้อายุยืนอวัยวะสมบูรณ์ทุกสัดส่วนรูปร่างก็งดงามเป็นคนมีไหวพริบปฏิพนันธ์เงี้เป็นต้นแล้วก็เป็นคนที่อวัยวะนี่ไม่บกพร่อง เป็นคนที่สวยงามเป็นคนที่อ่อนโยนเป็นคนที่สะอาดอีกเยอะมากนะอีกเยอะมากสรุปก็คือว่าถ้า ง, งดเว้นได้ก็จะเป็นคุณประโยชน์แก่กระแสชีวิตของเราและแก่คนที่เกี่ยวข้องด้วยที่เขาบอกว่าวิปัสสนารักษาโรคได้จริงไหมแล้วทำกันอย่างไร อคือการเจริญสมาธิเน mm ี่ยนะยอมนะอย่างที่บอกว่าจะทำให้คุณภาพชีวิตดีอันนั้นอันนั้นมีส่วนมีส่วนนะเพราะว่าจิตดีเงี้ยนะก็จะสามารถทำให้แค่อนาปนสติในระบบการหายใจดีคุณภาพชีวิตจะดีขึ้นสุขภาพจะดีอันนี้มีส่วนมีส่วนมันมีอย่างนี้ว่าบางคนต้องดูด้วยว่า โรคที่เราเป็นเนะี่ยมันโรคอะไรมันเกิดจากอะไรหนึ่งโรคเกิดจากกรรมสองโรคจะเกิดจากจิตสามโรคเกิดจากอุตุสี่โรคเกิดจากอาหารงีเป็นต้นนสมมติว่าถ้าเราโรคมันเกิดจากอาหารเราเจริญวิปัสนาอย่างไรก็เจริญไปเถิแต่เราก็กินอาหารอย่างเก่าเดิมเดิมโรคมันจะหายไหมมันก็ไม่หาย โรคเกิดจากอุตุเราอยู่ในสภาพอากาศแบบนี้มันก็ป่วยอยู่นั่นแหละถ้าเราไม่เปลี่ยนอุตุไม่ปรับอุตุเจเลนนิปัสนายานไงก็ไม่หายแต่โรคที่เกิดจากจิตไอเนี้ยการเจริญสมรรคากรรมฐานนินปัสนากรรมฐานมีโอกาสหายเพราะภาพสภาพจิตที่ดีขึ้นส่วนโรคที่เกิดจากกรรมอกุศลกรรมที่ทําไว้ต้องดูว่าอากุศลกรรมนั้นหนักหนาสาหัสละกันแค่ไหนเนี่ยต้องดูตรงนั้นด้วย ถ้าเป็นกุศลกรรมที่ไม่หนักนะสาหัสกันการเจริญกุศลก็เหมือนกับการสวดพระประิตเนี่ยก็คุ้มครองป้องกันอุปสรรคอันตรายได้อันนี้ก็ ก, ก็เป็นไปรักษณะอย่างนั้นต้องแยกประเด็นนะ อ, อ, อันใดจึงเรียกว่าธรรมะของผู้คลองเรือนธรรมะของาาผู้คลองเรือนก็มีขันติสัจจาคะปัญญาวก น, นี้เป็นต้นเลยนะ นั้นธรรมะของผู้คองเรือนมีหลายหมวดเยอะจะเป็นเรื่องพวกเกี่ยวกในเรื่องของศีล้านี่ก็เรียกธรรมะของผู้คองเรือนก็ได้นะธรรมะผู้คองเรือนก็ได้การให้ทานการรักษาศีลนนะแต่ว่าถ้าไปจัดเป็นหมวดก็กลุ่มนี้แหละธรรมะของผู้ที่จะต้องคองเรือนทั้งหลายก็กลุ่มกลุ่มศีลกลุ่มศีลห้า แล้วก็กลุ่มงดเว้นจากอาคติทั้งสี่รู้จักเลือกคบคนเป็นต้นนี่ไปดูได้ที่ไหนไปดูในสิงคาลสูตรสิงคาลสูตรที่พระพุทธเจ้าสอนสิงคาลมานพนี่เป็นหลังการคองเรือนหลังการครบมิตรนะโดยตรงเลยเอา้าวถ้างั้นก็ไปหาดูที่เขาคัดออกมาก็ได้แต่ถ้าดูในพระไตรปิฎกก็ อยู่ในคำพีทีแค่นีกายนะทีแค่นีกายในพระไตรปิฎกเล่มแรกๆเล่มประมาณเล่ม2เล่มสยอมไปเปิดดูนะไ่เปิดดูแล้วก็จะบอกว่าในสิงคารสูตรถ้ามีพระถ้ามีตัวคอมพิวเตอร์มีเว็บไซต์หน่อยมออีอินเทอร์เนต็ตหน่อยก็เซิร์ชข้อมูลเข้าไปแล้วก็พิมพ์บอกว่าสิงคารสูตรข้าไปดูปุ๊บในนั้นแล้วก็อ่าน อ่านทั้งคำคำบทตั้งและบทขยายแล้วก็จะขยายไว้เลยรายละเอียดยังไงนั่นแหละก็จะเกี่ยวกับเรื่องการคลองเรือนทั้งหมดเลยการปฏิบัติเนี่ยสามีควรปฏิบัติต่อภรรยายังไงภรรยาควรปฏิบัติต่อสามีอย่างไรพ่อควรปฏิบัติต่อลูกอย่างไงลูกควรปฏิบัติต่อพ่อแม่อย่างไรเพื่อนปฏิบัติต่อเพื่อนนะอย่างนี้เป็นต้นก็จะเป็นรายละเอียดที่พึงปฏิบัติต่อกันนี่เป็นตัวกุศลศีลดีไหมเอาหมดแล้ว นี่ตอบปัญหาจบแล้วนะมีใครต้องการถามอะไรเพิ่มเติมไหมเอาว่ามาฮะนวัตสการ์พระอาจารย์อาเมื่อกี้พระอาจารย์เล่าเรื่องว่าสัตวแพทย์่ทุบหมูอะก็ฟังไม่ถนัด่ะว่า เอเขารู้ว่ารว่าโยมฟังผิดไปเองที่บอกว่ายังไงใช่คะเพาว่ามาเนี่ยาอ่ก็ก็สงสัยคือคือฟังแล้วไม่ชัดนะก็เลยคือมีมีเพื่อนของหลานนะเขาเป็นสัตวแพทย์อะไรเงี้ยก็เลยก็เลยสนใจหาว่าอะไรมีการทุบหมูด้วยอะไรอ๋อคืออย่างนี้เออบางทีถูก กลุ่มสัตวบาลสัตวแพทย์ทั้งหลายเหล่านี้เขาจะถูกจ้างไปอยู่ไปดูแลตามฟาร์มที่มันจะมีพวกสัตว์ที่มันไม่ได้ขนาดสัตว์ที่เป็นโรค อ, ออกมาเป็นต้นเหล่านี้มันจะเยอะมากกลุ่มพวกนี้ก็จะต้องจับทุบจับทุบจับทุบสัตวแพทย์เป็นคนทุบเหรอฮ ะ, ะใช่โอ้ทำไมเขาต้องทำด้วยละ่ะฮะทำไมก็ไม่ให้เจ้าของ โมาท <ำ S 2> เ า, เาเอ้าต้องไปถามมันไปถามว่ามรรวาได้งไงก็ <laughs> ทำกันอย่างนี้ตรงเนี้ยเป็นปัญหามากเลยอสงสัยจังเลยก็อเอามารู้จักมีลูกศิษย์ที่เป็นเนี่ยทำอยู่สามปีลาออกโอ้ไม่ไหวทำใจไม่ได้เป็นยมผู้หญิงอันเนี้ยอบอกโอ้ไม่ไหวจริงๆก็มันมันรู้สึกก็บอกว่าแล้วตอนเนี้ย ถามว่าเป็นไงบอกว่าตอนนี้คุณภาพชีวิตก็ไม่ดีเลยมีโรคประจําตัวเต็มไปหมดเธอบอกเธอทำมาสามปีเนี่ยเวลากรรมมันให้ผลมันให้ผลเราไม่ให้ผลใครบางทีเขาเรียนมาก็ถูกสอนอย่างนี้มาไงคนเราก็ทําไงได้เออนี่ก็เป็นเรื่องยากมากอยู่ในโลกใบนี้ไม่ง่ายอยู่ถ้าไม่ฉลาดแล้วเราก็จะทําบาปให้กับตนเองแล้วก็ทําให้ตนเองเดือดร้อน ด้วยความไม่รู้นี่แหละแต่คนที่ฉลาดในคำสอนต่งตางๆก็จะเลี่ยงทันทีผู้ปฏิบัติทรรทั้งหลายเราก็มาจากผู้ไม่รู้กันทั้งนั้นแหละนะอย่าแปลกยอมอยากเครียดอย่าทุกข์แต่รู้แล้วต้องแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงพัฒนาตัวเองอย่างไรยอมลองสังเกตดูเถอะว่ามนุษย์เนี่ยที่เราต้องประสบปัญหาทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นเพราะเราทา กรรมบางอย่างทำในปัจจุบันมันให้ผลในปัจจุบันกรรมบางอย่างทํำในปัจจุบันมันให้ผลในภพถัดไปกรรมบางอย่างมันทําในปัจจุบันจะให้ผลในภพที่สาเป็นต้นไปอย่างนี้เป็นต้นนั่นมันมันตามติดค่อนข้างเยอะแต่ที่แน่ๆก็คือที่เราเห็นในปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นว่าพฤติกรรมที่เราทํากรรมกันอย่างไรมันก็จะให้ผลที่แน่ๆคือด้านจิตใจนะสังเกตดูนะทั้งกรรมดีเดี๋ยวคาว่ากรรมเนี่ยมันมีสอง แปลว่าการกรนะทํานืถ้ากระทาดีก็เรียกกุศ ล, ลกรรมถ้ากระทาไม่ดีก็เรียกว่าอากุศลกรรมอกุศลกรรมฉะนั้นสิ่งต่างๆเหล่านี้เราก็จะเห็นเต็มไปหมดยิ่งโลกมันเปลี่ยนแปลงมาสิ่งแวดล้อมมันเปลี่ยนแปลงนะสังเกตุูมันมาจากอะไรเนี่ยมันมาจากการกระทาของมนุษย์นี่แหละเนี่ยเราก็จะเห็นความวิบัติความเสื่อมหรือความ เสียหายที่เกิดขึ้นในในโลกใบนี้และในสิ่งที่เราต้องเห็นกันอยู่ตลอดเวลาเนี่ยซึ่งทุกวันเนี้ยกลุ่มที่เจริญกุศลต้องแข็งแรงทางด้านจิตใจต้องเข้มแข็งต้องไม่ท้อต้องอดทนนะและต้องไม่ยอมที่ตนเองจะไปทําบาปนั้นจะต้องมีพลังในใจค่อนข้างสูงมีความเชื่อมั่นในเหตุและผลค่อนข้างดีเราเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอย่างนี้ด้วยแล้วเนี่ยจิตใจจะต้องมีความตันหนักรู้ค่อนข้างที่จะแรง ว่าเออตรงนี้มันมีภัยนะเช่นปณฏิบาตมันจะให้ผลอย่างไรอธินาทานมันจะให้ผลอย่างไรเป็นต้นเนี่ยนะถ้าฆ่าแล้วมีผลอย่างไรลักแล้วมีผลอย่างไรประพฤติผิดในการมมีผลอย่างไรพูดเท็จก็มีผลนะส่อเสียดคําหยาเพื่อเจอือดื่มสุรามีไรมันจะให้ผลอย่างไรเนี่ยพระเจ้าบอกไว้หมดเลยทางงดเว้นได้จกให้ผลอย่างไรนี่นะในชั้นคําสอนจะบอกรายละเอียดไว้แล้วก็เห็นประจักษ์กันอยู่นี่แหละในปัจจุบันเราก็จะเจอกันอยู่อย่างนี้แหละ ฉะนั้นทุกคนก็รักษาตนเองให้ดีอย่าให้ตนเองต้องประสบความเสียหายใช่ไหมยอมยอมรักตนเองไหมยอมรักเกลียดรักสุขไหมเกลียดทุกไหมนะความสุขเรารักแต่ทุกเราไม่ชอบแต่ถ้ามันนั้นเมื่อเรารักสุขเราเกลียดทุกเราก็อย่า อย่าทำชั่วจงทำดีใช่ไหมเพราะถ้าเราทำดีกุศลหรือความดีนั้นน่จะหล่อเลี้ยงกระแสชีวิตของเรานะให้นำพากระแสชีวิตนะเนี่ยไปสิ่งที่สมหวังแต่ถ้าเราไปทำเหตุถึงความผิดหวังเ็าไว้ไอ้ความผิดหวังมันก็จะตามเราเออเราให้ความผิดหวังนะอย่าลืมนะให้ความผิดหวังเช่นเหมือนอย่างสุราเีย น, นะที่ยอมถามเนี่ย 1. เกิดโรคสุราเนะี่ยกินมากๆโกรธไปแค้เจ็บเยอะสองก่อการทะเลาะวิวาทกินไปทีเดี๋ยวก็วเถือผมเมาขึ้นไปแล้วก็ถูกตีเตียนนะทำให้ไม่รู้จักอายหรอกพอเมาเข้าไปเนี่ยแก้ผ้าก็ได้ทำอะไรเยอะแยะหมดของมึนเมาเนี่ยนะและสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือว่าสุราเนี่ยทให้ปัญญาค่อยๆดลงดลงดบลง แล้วกรรมที่ทำอย่างนี้จะทำให้ปัญญาอ่อนอันนี้น่ากลัวตรงนี้แหละฉะนั้นถ้าใครอยากเป็นคนฉลาดในคำสอนประพฤติปฏิบัติก็สามารถแทงตลอดสัจจะแทงตลอดความจริงได้แล้วก็สามารถเป็นปัจจัยในการพ้นจากว่าจะทุกข์ได้ก็อย่าทำลายสติสัมปชัญญะตนเองและคนอื่นนะเพะไปทาลายก ร, รรมที่เราไปทำลายนั่นแหละมันก็จะให้ผลนี่เป็นอย่างนี้แหละ พระพุทาตรัสไว้ในจูรกกรร ม, มวิพังคะสูดคือมันมีเรื่องเกิดขึ้นนะว่าโตเธยโตเทยพรามตระกูลโตเทยบุตรตระกูลนี้เป็นตระกูลที่ไม่รักษาศีลเป็นตระกูลที่ตะหนีมากไม่ให้ทานไม่รักษาศีลไม่เจริญภานาะคือแกมีความคิดว่า แกจะมีทฤษฎีประจำตะกูลว่าของแกก็คือทฤษฎียาหยอดตากับทฤษฎีไอ้ปวกทําลังไอท้ทฤษฎียาหยอดตาคือว่าไอ้ยาหยอดตาเนี่ยหยอดวรยศมันหมดไหมหมดไหม่หมดมันก็หมดฉะนั้นเวลามีทรัพย์แกจะไม่ใช้หาอย่างเดียวแล้วทฤษฎีปลวกทําลังก็คือว่าไอ้ปลวกเนี่ยมันขนที่เล็กและน้อยมันสามารถสร้างกองปลวกได้ยิ่งใหญ่โตได้ แล้วก็มีทฤษฎีต่อไปบอกว่าสอนลูกสอนหลานว่าคนให้ทานคือคนโง่คือคนโง่และตอนนั้นจะอยู่ในสาวถีในตัวสาวถีมีประชากรเจสบล้านเจล้านนะในเจล้านมีภาริยะ50าบล้านห้าแสนส่วนแกเนี่ยเป็นกลุ่มคนชนกลุ่มน้อยไม่ได้เป็นภาระริยะจะเป็นมิจฉาทิฐิ แกก็จะสอนลูกสอนหลานสอนญาติมิตรดูที่เนี่ยในเมืองนี้คนโง่เต็มไปหมดเออพระพุทธเจ้าส ม, มณะศีษะโล้นเป็นต้นตลอดถึงกลุ่มพวกพวกเนี่ยไม่ทํามาหากินะลรตื่นตอนเช้าก็ถือบาทเดินกันมาแล้วแล้วก็มีคนโง่ใส่บาทให้เต็มไปหมดเลยนี่ก็สอนเนี้นะแล้วอย่างงี้จนหมดวิบัติหมด ไม่รู้จักเก็บออมไม่รู้จักการรักษาเรื่องต่างๆนี่นะก็จะโจมตีก็จะต่อว่าก็จะคอยประทุษคอยพรุษกล่ว า, กาวด่าว่าว่ากล่าวตลอดเวลาเออทีนี้ไอ้การว่าเนี่ยไปว่าใครไม่ว่าไปว่าผู้มีศีลมีกัลยาณธรรมอย่างพระเจ้าและสาวกที่เป็นพระละหัน์ด้วยนี่เห็นไหมเวลากรรมจะให้ผลจะให้ผลแรงคอยสังเกตด้วยนะเจ้าเศรษฐีคนนี้ก็บริพาสไปเรื่อยๆ อ, อ, อย่างเงี้ยโกรธมากและเป็นคนตนหนี เป็นคนตนนีกลัวทรัพย์ตนเองจ้ไม่ให้ถ้าพ้ามาอะไรมาเดินผ่านบ้านนึ่จะต้องปิดปิดประตูเรือนกันทั้งหมดแล่ะไม่ญาติไม่ ใ, ใครต่างๆไปเกี่ยวข้องทั้งนั้นนี่เป็นอย่างนี้นะกรรมที่บริภาทและด่าทอผู้มีศีมีกาลยาธรรมเป็นเหนตุทำตนเองนะเสื่อมเสื่อมเสื่อมจากเสื่อมอายุเสื่อมวันน้าเสื่อมผิวพรรณเสื่อมหมดหนะข้าวนะครับอายุสั้นตาย แต่พอตายเนี่ยความตนหนีไอ้จิตที่ตนเองมันผูกเอาไว้เนี่ยมันผูกเอาไว้พอตายพบไปเกิดเป็นสุนัขในบ้านนี้แหละเกิดทําไมเกิดมาเฝ้าเพราะตนเองก่อนตายนะฝังทรัพย์ไว้ฝังรองเท้าทองคําไว้หมวกทองคําไว้ฝังไอ้ทรัพย์ไว้เยอะพอฝังเสร็จแล้วเนี่ยตายเสร็จเพราะไอ้สุนัขตัวนี้โตขึ้นมาหน่อยโอ้โห พอโตขึ้นมาหน่อยเนี่ยมันหวงมันแต่เห็นไหมว่าด้วยความผูกพันเนี่ยไอ้เจ้าของคือลูกชายขึ้นเป็นโตทะย า, มานมโนปเนี่ยพอโตขึ้นมาอีเห็นสุนัขตัวนี้มันทํำไมผูกพันทําไมรักมากเพราะเป็นอดีตเป็นอะไรเป็นพ่อเห็นไหมก็รักมากจะเอาสุนัขตัวนี้ไปนอนด้วยใครใครมีที่บ้านมีสุนัขเลี้ยงด้วยมีเอาสุนัขไปนอนมีไหมมีไม่มี อยางที่บ้านเลี้ยงสุนักไหมเอาไปนอนด้วยปะนี่ก็ไปผูกพันนอนทีนี้มีอยู่วันหนึ่งก็คือพระเจ้าเห็นเห็นตัวทยามานพอยู่ในข่ายพยานพระเจ้าจะมีพยานนี้นะตรวจสอบดูโอ้เข้ามาในข่ายพยานแต่ถ้าเราไปที่บ้านเศรษฐีมาตรงนี้สุนักที่เป็นอดีตเศรษฐีเนี่ยจะมาเห่าเราว่าไงเถอะ แต่คนที่จะได้ประโยชน์คือลูกชายพระเจ้าก็คิดอนุเคราะห์ไปยืนอยู่หน้าบ้านโอ้โหเจ้าสุนัขนี่จําได้นะพะจำได้มาก็จัดการมาด่าคือมาเห่าด่าด่าพระเจ้าพระเจ้าก็ยืนแล้วพระเจ้าก็พูดออกมาว่าดูก่อนโตทยะตอนเป็นคารวาสก็ด่า ตอนเป็นคนน่ยก็ด่าทาถาคตเออตายไปเป็นสุนัขยังมาด่าอยูหรือแล้วเธอจะวิบัตินะโอ้โหพระพุธอยเงี้ยสุนัขเนี่ ย, ยหางลู่ตกดินคิดดูโอ้ยพระพุทธเจ้าจําเราได้มันตกใจมันมันจำมันตกใจนะลองคิดดูที่ว่าเอาเป็นมนุษย์ก็รู้ว่าไอค้คนคนี้แหละพอไปเป็นสุนัข ย, ยังรู้อีกเนื้อเยานปัญญาสัพพยุตญาณเนี่ยรู้อีกว่าเนี่ยแปลสภาพจากมนุษย์กลายเป็น สุนักแล้วโอ้โหมันวิ่งสุนักวิ่งปึ๊ดไปนอนกับที่ตรงเตาเตาไฟนอนไม่ลุกมันเสียใจมันง้อยอยู่งั้นแหละลูกชายกลับมาที่เป็นเศรษฐีร้องอยากพ่อเนี่ยต่ออยากพ่อเนี่ยมาก็ร้องเอ๊ะสุนักหายไปไหนไม่เห็นมากินนเน่ยคนใช้ก็บอกว่าเนี่ยเพราะพรพระสมณะโคดมพทธเจ้ามาตรงเนี้ยมายืนหน้าบ้านก็บอกว่า ไปบอกว่าสุ น, นัข่เป็นพ่อท่านโกรธไหมเอาวันดีคืนดีมีใครมาทักว่าสุ น, นัขเป็นพ่อเราเราจะโกรธไม่โกรธนี <c> ่ย <oughs> โกรธดิเนี้โอ้โหวิง่ง <c oughs> กาไปไปชี้นะ่ะคือเขาถือว่าเขาเป็นพรามตายแล้วต้องเป็นพรหมนี่ไปบอกพ่อเขาเป็นสุ น, นัขได้ไง ไปตำหนิไปไปว่าพริยาพระ้าบอกว่าอยากพิสูจน์ไหมเอาอยากพิสูจน์ออให้กลับไปนะให้อุ้มสุนัขนี่ไปละอาบน้ำแล้วไปนอนด้วยพาอเคือไม่ถามถามว่าพ่อให้พูดอย่างนี้ด้วยนะว่าเออไม่เท้าทองคาไปไหนรองเท้าทองคาเอยหมวกทองคาเสื้อก่อกทองคำเป็นต้นนี้ถามอย่างนี้พ่อไม่พ่อหาไม่เจอใช่ไหมลูกชายเขบอกไอเจ้นี่ก็บอกหาไม่เจอ แคกลับไปก็ทำอย่างที่พระเจ้าว่าเจ้าสุนักเขามีจิตสำนึกมาเขาก็วิ่งไปคุยคุยคุยพอคุยได้เบเสร็จเขาเสียใจมากไอ้สุนักเนี่ยหมดแล้วหงอยเศร้าตายไปเลยยพอตายเสร็จลงเอเวจีตอนนี้ถ้าอยู่ในเวจีนะอยู่ในเวจีนะไม่ตกนรกเลยต่อมาถ้าลูกชายก็ตกใจ ก็เลยตั้งปัญหาไปถามพระพุทธเจ้าบอกว่าทํากรรมอะไรจึงเป็นเหตุทําให้อายุยืนทํากรรมอะไรจึงเป็นเหตุให้อายุสั้นทํากรรมอะไรผิวพรรณงามทํากรรมอะไรผิวพรรณซามไหมทำกรรมอะไรถึงมียศถาบรรดาศักิมากยศถาบรรดาศักน้อยมีศักดมากมีศักดน้อยอไล่ไปตามดับแล้วก็จนถึงข้อส ate, ุดท้ายทํากรรมอะไรจึงมีปัญญามากมีปัญญาน้อย ก็ไปผูกปัญหาถามพระเจ้าพระเจ้าก็ตอบปัญหาตอบเสร็จก็ได้บรรลุเนี่ยนี่ในจุลกรรมอวิปังกสูท่นานพระเจ้าก็ตอบไว้เห็นไหมว่าจริงๆแล้วเนี่ยที่ต้องการชี้ประเด็นก็คือว่ามานพเนี่ยตกใจว่าโอ้โหพภาษาปัญญยุติยานเนี่ยไม่ธรรมดารู้จิติรู้ปฏิสนธิของสัตว์ได้ก็คือสัตว์ตายเนี่ยกำลังของนามารำเนี่ย ตายแล้วเกิดทันทีเห็นขนาดนี้ยไม่ธรรมดารู้บรรดาประชาสัตว์ทั้งหลายเวียนยไหวใจเกิดยังไงศรัทธาพระเจ้ทาทันทีโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ใช่บุคคลธรรมดาแล้วเนี่ยความศรัทธาในพระพุทธเจ้าก็เกิดก็เกิดขึ้นอา้าวตอบคําถามเลยลากยาไปอีกหลายข้อเลยมีใครจะถามอะไรอีกไหม ไม่มีแล้วเนาะเอาไม่มีแล้วเดี๋ยวจะได้พักกันอับบานนมมือขึ้นอุทิศส่วนกุศลกันนิดอยอมบานนมมือขึ้นนะเขาบอกฟังทมทุกครั้งเนี่ยให้อุทิศส่วนกุศลเพราะท้าวสก่าเนี่ยกราบทูลพุทธเจ้า พระเจ้าพูดเรื่องการให้ทาการให้ธรรมทานชนะการให้ทั้งปวงโอ้โหบอกว่าเป็นกุศลที่มีกำลังมากเป็นภาวนากุศลมีพลังมีอานิสงส์มากทาสกาก็บอกว่าถ้ามีการแสดงธรรมมีการฟังธรรมธรรมสากัะฉาเป็นต้นเลื่ อ, อนุนโมธนาให้โปรดให้พระเจ้าเนี่ย บอกกับพุทธบริษัทมีภิกษุเป็นต้นในอุทิศส่วนกุศลให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายด้วยฉะนั้นเราก็น้อมบุญที่เกิดขึ้นจากการประพฤติทธำธรรปฏิบัติธรรมและการฟังธรรมอุทิศให้กษัตริย์ทั้งหลายด้วยนะสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงมีส่วนบุญที่ข้าพเจ้าได้ทํานบัดนี้และแห่งบุญอื่นที่ได้ทําไว้ก่อนแล้ว คือจะเป็นสัตว์เหล่าใดซึ่งเป็นที่รักใคร่และมีบุญคุณเช่นมารดาบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นก็ดีที่ข้าพเจ้าเห็นแล้วหรือไม่ได้เห็นก็ดีสัตว์เหล่าอื่นซึ่งเป็นกลางกลางหรือเป็นคู่เวรกันก็ดีสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสาม อยู่ในกําเนิดทั้งสี่มีขันห้าขันมีขันขันเดียวมีขันสี่ขันกําลังท่องเที่ยวอยู่ในพบน้อยใหญ่ก็ดีสัตว์เราใดรู้ส่วนบุญที่ข้าพเจ้าแผ่ให้แล้วขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาเองเถิดส่วนสัตว์เราใดที่ยังไม่รู้ส่วนใหญบุญนี้ ขอเทวดาทั้งหลายโปรดบอกสัตว์เหล่านั้นให้รู้ด้วยเพราะเหตุที่ได้อนุโมทนาส่วนบุญที่ข้าพระเจ้าแผงให้แล้วขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวรอยู่เป็นสุขทุกเมื่อจนถึงบทอันเสมกล่าวคือพระนิพพาน ความปรารถนาที่ดีงามของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดสาธุสาธุสาธุาธอ่ะเรี๋ร้อย